บรรยากาศที่เหมาะเหมาะสาหรับจะนั่งฟังเทศไปแล้วก็นั่งภาวนาไป <c oughs> ท่านที่ไม่มีธุระที่เร่งด่วนมีเวลาพออ่ะก็มาฟังเข้ามาฟังเอาประโยชน์จากการนั่งภาวนาแล้วก็ฟังไป ผลรายได้เข้าสู่หัวใจนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ ah ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พกวะโตอระหะโตสมมาสมุทัสสาปูชาจะปูชชนิยานังเอตัมังคลัมุตตะมันตินั่งภาวนาไปและก็นั่งฟังไปผล เกิดขึ้นจากการตั้งอกตั้งใจฟังได้ที่ใจของผู้ฟังถ้าหากเกาะอยู่กับเนื้อหาของอักธรรมก็มีความจงใจจดจ่ออยู่ตกจากเนื้อหาของอัจธรรมก็ไปอยู่กับภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธความสงบของใจนั่นแหละเป็นคุณสมบัติของใจความสงบของใจที่เกิดขึ้นจากการที่เราเอา ธรรังครับนั้นมันเกิดขึ้นไม่ง่ายแต่มันมีวิธีการที่พระพุทธเจ้าท่านส่งชี้แนะบอกสอนพวกเราให้เราถือตามประพฤติตามปฏิบัติตามโดยมีข้อปฏิบัติให้เราทำเพื่อให้จิตได้รับความสงบมีมากมายหลายวิธีและก็มีวิธีการที่พิจารณาให้เกิดความรู้เกิดความเห็น ตามหลักของมหาสติปัฏฐานเราตามรู้ตามเห็นบางทีเราไปเห็นถ้าเราไม่รู้ก็เหมือนอย่างครูบาอาจารย์ท่านตามหาตา ม, มาภาพเมื่อกี้เนี่ยท่านไม่รู้จักไปตามหาไม่เจอถ้าเราเจริญสมาธิไปด้วยแล้วก็เจริญปัญญาไปด้วยสลับกัน เหมือนอย่างที่หลวงตาท่านสอนมันก็จะสมดุลกันส่วนการทําใจให้ได้รับความสงบนั้นมันจะเพิ่มพลังให้กับใจเมื่อใจมีพลังใจมีความสงบใจมีความสุขใจมีอาหารดูดดื่มเวลาเอาไปทํางานก็ทํางานอย่างเดียวเรื่องเดียวได้แต่ถ้าใจไม่มีพลังไม่มีกําลังไม่มีความสงบพอเอาไปทํางาน งานเหล่านั้นกลายเป็นสัญญาอารมณ์ตันหามาสวมรอยดึงจิตของเราไปใช้อย่างอื่นอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรคำนึงที่สุดการที่พุทธบริษัทนํานำโดยคุณโยมโอลานคุณยม ป, ปิยวันเนี่ยเป็นหัวเรียวหัวแรงหัวศรัทธาของแกนนำในการจัดสร้างจัดทมพระวิหารหลังนี้อ่า ทุกคนรู้จักได้ยินได้ฟังตามสื่อตามข่าวมาคราวนี้เป็นการฉลองเป็นการสมโพทพระวิหารในพระวิหารนี้มีพระพุทธสยญาตพระพุทธสยญาตและมีการบรรจุซึ่งองค์พาท่านมาบรรจุเมื่อวันก่อนนั้นบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระบรมสารีริกธาตุ ถ, ถือว่าเป็นธาตุแทนเป็นธาตุแทนพระพุทธเจ้าเป็นธาตุกายสิทธิ์ซึ่งสําเร็จมาจากความบริสุทธิ์ของจิตตกผลึกมาเป็นพระธาตุพระบรมสารีริกธาตุเรากราบไหว้อูชาแล้วเราละลึกนึกน้อมถึงคุณของพระพุทธเจ้า คุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์มันจุไว้ที่เกศพระพุทธไสยาสน์ใครมากราบมาไหว้บูชาเป็นที่ระลึกนึกถึงมีความสุขตลอดกาลทําให้จิตใจของคนคนนั้นได้รับความสุขได้รับความสงบได้รับความร่มเย็นบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการที่เราตั้งอกตั้งใจสร้างทํามาและสมโพธิฉลองในวันนี้ เพื่อบูชาคุณเฉลิมพระเกียรติแก่สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชนีนาถสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาถซึ่งเป็นพ่อเป็นแม่ของขอ ง, ของแผ่นดินเป็นร่มโพล่มใส่ทําให้ประสบนิกรได้รับความสุขได้รับความร่มเย็นพวกเราทั้งหลายตั้งอกตั้งใจมาทำบุญแลยน้อมนึกระลึกถึงบุญถึงคุณของท่าน ตั้งความปรารถนาถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระองค์ขอให้พระองค์มีความสุขกเกษมสาราญมีพระพระลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสมเด็จพระบรมราชชนีนาถซึ่งเป็นการกระทําที่ถูกต้องตามเยี่ยงอย่างตันติประเพณีที่เราทําเพื่อเป็นการบูชา และก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราทําเพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธพระพุทธรูปพระพุทธไสยาศก็ถือว่าเป็นเจตดีพอเรากราบระลึกเพราะเราเห็นโดยไม่มีใครอธิบายความรู้ความเข้าใจของชาวพุทธก็จะทําให้ทราบเนื้อหาสาระว่าพระพุทธรูปคืออะไรเป็นอะไรกราบแล้วไม่ ไม่ลืมที่จะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์หรือเราจะกราบพระปรมาสารีริกธาตเรากราบแล้วเราก็ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ซึ่งเป็นเหตุทําให้เราเอามาถือตามประพฤติตามปฏิบัติตามและพ้นทุกข์ไปได้คนเรามีความกลัวอยู่ในใจหาที่พึ่งทางใจยึดแผ่นดินต้นไม้ภูเขาพระอาทิตย์พระจันทร์ ได้รับความอุ่นใจนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่การที่เรามาพึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์มีข้อปฏิบัติด้วยเหตุที่มีข้อปฏิบัติทําให้เราได้ลงทุนประกอบเหตุลงไปเมื่อเราประกอบเหตุลงไปตามคําสอนของท่านแล้วจะมีผลตามมาเพราะฉะนั้นถ้าเราสมัครที่จะยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์จริง เราจะต้องตั้งต้นตั้งแต่การให้ทานจัดทานการตั้งใจรักษาศีลการตั้งใจอบรมจิตให้ได้รับความสงบพิจารณาให้เกิดปัญญาเมื่อเรายอมรับนับถือว่าเป็นศาสนาเพื่อที่จะเอามาเป็นที่พึ่งที่ระลึกของจิตพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสแล้วว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกพ้นทุกข์ได้จริงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์นั้นพ้นทุกข์ได้จริง แต่เราจะต้องทำตามเยี่ยงอย่างตามประเพณีตามแบบเจบับที่พระพุทธเจ้าท่านทรงวางเอาไว้ซึ่งสรุปมาย่อๆได้แก่ตั้งใจรักษาสินเจริญสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาทำให้เราเดินตามข้อปฏิบัติที่พระองค์ทรงวางไว้เราสรุปมาแค่สามข้อแค่นี้ก็รวมอริยมรรคมีองแปดอยู่ในนี้ทั้งหมดคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงนั้นสถิตยอยู่ที่ใจ ถ้าหากเราเอาใจของเรามาทํามาเดินทางในทางที่ดีที่งามที่ถูกคุณสมบัติคือคุณงามความดีก็จะเพิ่มพูนในหัวใจของเราอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นการที่เรากระทําทั้งนี้เป็นการกระทําเพื่อบูชาคุณของพระพุทธเจ้าการบูชาคุณของพระพุทธเจ้าด้วยสักการะอามิต ท, ทั้งหลายทั้งปวงการบูชาพระองค์ด้วยการถือตามประพฤติตามปฏิบัติตาม พวกเราได้ถือกันทั้งหมดทําตามทั้งหมดเหมือนอย่างที่พวกเราเห็นเห็นกันอยู่นี่แหละเราทําบุญถอยทั้งทานถายทั้งของภายนอกแล้กตั้งอกตั้งใจฟังครูบาอาจารย์ประสงค์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นแล้วก็ไม่พ้นที่จะมีการเผื่อแผ่แจกย่ายธรรมะกันได้ยินได้ฟังให้ทั่วถึงกันเพื่อเป็นการปลุกจิปัญญาให้เกิด ความตื่นรู้อยู่ทุกระยะทุกเวลาไม่ลืมเนื้อลืมตัวเมื่อเราน้อมมาที่จะถือตามประพฤติตามปฏิบัติตามแล้วอย่างรักษาสินรักษาศินห้ารักษาศินแปดเราก็ต้องถือเริ่มต้นด้วยการไม่ฆ่าสัตว์รักทรัพย์พระพฤติผิดในการมไม่พูดเท็จไม่ดื่มสุราเมรัยอันนี้คือเหตุ ท, ที่เราลงมือทําเรารักพระพุทธเจ้าพราทำประสงค์จริงเราต้องตั้งใจรักษาศินได้ แต่ถ้าเรารักษาได้บ้างไม่ได้บ้างผลน่าอานิสงก็มีบ้างไม่มีบ้างด้วยเหตุที่เรารักษาได้ทั้งห้าข้อจะทําให้ชีวิตครอบครัวเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะการฆ่าสัตว์นั้นถือว่าขาดศีลแล้วการฆ่าถ้าหากฆ่าคนฆ่ามนุษย์ก็เป็นเพลเป็นเวรเป็ น, น, ปนภัยเป็นบาปเป็นกรรมตามล่างตามผลานกันไม่รู้กี่พบกี่ชาติกว่าจะจบกว่าจะสิ้น เรื่องเวีนภัยทั้งหลายตามมาก็เนื่องจากว่าเราขาดสินข้อหนึ่งนี่เองข้อสองักทรัพย์ถ้าหากเราไม่เวีนก็เป็นเหตุให้เราเดือดร้อนในปัจจุบันด้วยและมีเวีนมีภั ย, ม, ภยมีบาปมีกรรมข้อสก็คือเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองออเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองไม่นอกใจสามีไม่นอกใจภรรยาเพราะเราถือว่า สามีเป็นสมบัติของภรรยาภรรยาเป็นสมบัติของสามีสมมติเรานอกใจสามีนอกใจภรรยาถือว่าสามีขโมยสมบัติของภรรยาไปบำรุงบำรเริ่คนอื่นพอภรรยาได้ยินได้ฟังเครียดแค้นชิงฉังมากถึงฆ่าถึงแก่งกันถึงบ่านแตกสะเรคค่ะภรรยานอกใจไปนอกใจสามีถือว่าภรรยา เอาสมบัติของสามีไปบำรุงบำเรอคนอื่นเรามาคิดย้อนดูภายในใจของเรามันเครียดแค้นชิงชังขนาดไหนบางคนทั้งกลืนไม่เข้าทั้งคายไม่ออกต้องทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นแหละถ้าเป็นฝ่ายผู้หญิงที่อ่อนกว่าทุกมากทุกใหญ่มากถ้าเป็นผู้ชายฝ่ายผู้ชายที่อ่อนกว่ารุกทุกมากบางทีก็มีประยักษ์พย า, ยานมีรูปมีเต้าด้วยกันอย่างนี้ด้วยแล้วเนะี่ย มีสมบัติพัฒสถานมากมายเกี่ยวข้องกันจะแยกกันก็ลำบากเหลือเกินอยู่ด้วยกันก็นยากลำบากเราไปทำให้เกิดความยุ่งยากลำบากทำไมสามีภรรยาเราอยู่ด้วยกันเราต้องถือว่าเป็นคู่บารมีถ้าหากเราไม่คิดอย่างนี้แล้วเนี่มันจะสู้กระแสของตันหาไม่ได้ถ้าเราคิดว่าเอ้ยคู่บารมีเราเกิดมาเป็นคู่บารมีของกันและกันต่างคนต่างสร้างคุณงามความดีให้ความสุข ให้ความสุขใจของตนเองให้ความสุขใจแก่สามีแก่ภรรยาของตนของเราคิดอย่างนี้แล้วมันเป็นการตัดกระแสตันหาในหัวใจได้มันจะไม่ค่อยกำเริบเสืบสารแต่ถ้าเรามองไปเป็นเรื่อ ง, อ, งอื่นเช่นอย่างเป็นคู่ครองเป็นเป็นคู่ที่ให้ความสุขให้ความสุขกันเป็นการเป็นคราวเรามองแบบนี้เราถือว่าต่าต้อยต่ำเกินไป มันมีเหตุที่จะก่อให้ตันหาราคาเนี่มารบเร้าในหัวใหญจของเราเราสู้ไม่ได้ตันหาตัวนี้มันเป็นตันหาที่รุนแรงมากถึงขนาดฆ่าแกงกันได้นี่คือสิ่งข้อสามเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่นอกใจสามีไม่นอกใจภรรยาภรรยาไม่นอกใจสามีครอบครัวนั้นอยู่เย็นเป็นสุขเราบริโภคกามเราก็บริโภคไปเหมือนเราเหมือนอย่างเราใช้ไฟในเตาไฟไม่ลุกลาม แต่ตราบใดเราเอาออกนอกเต่าแล้วลุกลามสามารถไม่บ้านไม่เรือนไม่อะไรตัอะไรได้หมดสารพัดคือไม่หัวใจอันนี้คือเรื่องศีลรองเราลงมือถือตามพระพุทธตามปฏิบัติตามมีความสุขจริงครอบครัวที่อยู่ไม่เป็นปึกแผ่นแน่นหนาะมีความละหองละแหงทุกใหญ่มากทุกใหญ่มากอันนี้คนที่เคยมีความเกี่ยวข้องแล้วจะมีความทุกข์ใหญ่มาก นี่คือศินข้อสมันเป็นเหตุที่ตัดความทุกข์ในหัวใจของเราได้ถือได้มีความสุขมากไม่พูดเท็จพูดยาพูดส่อเสียดก็เป็นเหตุว่าเราโกหกเขาได้เขาก็จะโกหกเราเราปลิ้นปล้อนหลอกลวงเขาได้เขาก็จะปลิ้นปล้อนหลอกลวงเราเพราะทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องของเวรของของภัยของบาปของกรรมการดืม่มน้ําดองของเมาเนี่ก็ถือว่าเป็นการตั้งใจทําลายตัวเอง อย่างชัดแจ้งเพราะทําลงไปแล้วทําให้เราขาดสติล่วงละเมิดสินข้อเดียวเนี่ยสินข้อหนึ่งก็ขาดง่ายข้อ2ข้อสอข้อ ส, า ข, อสขาดง่ายเพราะมันขาดสติขาดความยับยัง้งเราจะเห็นว่าอารมณ์รุนแรงในหัวใจของคนนะ่ยบางทีชั่ววูบเท่านั้นแหละสามารถฆ่าคนได้บันดาลโทษะชั่ววูบฆ่าคนได้อันนี้คือการขาดความยับยัง้งขาดสติ ขาดสัมพัสัญญากำหนดจดจ่อใค ร, คร่ครวนถึงความผิดชอบชั่วดีพุทธิยาอท่านจึงส่งบัญญตัติมันไม่ใช่อย่างอื่นมันเป็นน้ำดองของเหมาใส่เข้าไปแล้วทำให้ประสาทของเราถูกแอลกอฮอล์กดทับมึน ง, งงไปหมดขาดสติขาดสัมพััญญะแต่พอเวลาเมาเข้าไปแล้วเนี่ยพฤติกรรมของเราจะเริ่มแสดงออกแบบไม่มีฮิริไม่มีโอตปัดขาดความเคารพ ขาดความยำเกรงขาดความเกรงกลัวหมดทุกอย่างเมาเขา้าเมามาเขาพาไปเที่ยวก็ไปพาไปลากก็ไปพาไปเล่นก็ไปพาไปไหนก็สามารถไปได้เพราะใจมันหึกเหิมด้วยอำนาจของสิ่งเหล่านั้นท่านจึงปรับขาดจากสินข้อหนึ่งคือสินข้อหเราถือได้สมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งห้าคอ มีผลมีอนิสงส์มีความอยู่เย็นเป็นจุขในอัตภาพนี้อย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยนี่พระพุทธเจ้าถ้าเราตั้งใจเคารพนับถือท่านต้องตั้งอกตั้งใจทําอย่างนี้การทํามหากินอย่างอื่นที่ไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมมีมากมายเยอะแยะเราใช้ปัญญาเอาสิ่งไหนที่มันเสี่ยงกับการผิดศีลผิดธรรมให้ละให้งดให้เว้นเราอยู่อย่างอดอยากทุกข์จนดีกว่าเราไม่มีศีลเพราะการไม่มีศีล น, นั้น่ะ นอกจากเราได้รับความทุกข์ในปัจจุบันแล้วเรามีความทุกข์เป็นวิบากในภพชาติต่อๆไปอีกด้วยนี่คือเรื่องของศีลเรื่องของศีลนั้นทำไมพระเจ้าท่านจึงทรงบัญญัติเพราะการตั้งใจรักษาศีลนั้นมันทําให้กายกรรมของเราบริสุทธิ์ทําให้วัจีกรรมของเราบริสุทธิ์คนเราก็มีแค่กายกรรมวัจีกรรมและมโนกรรมในเมื่อกายกรรมวัจีกรรม เราสามารถกำกับด้วยศีนได้แล้วยังเหลือมโนกรรมคนเรามีโอกาสที่จะนึกที่จะคิดที่จะอะไรตัวอะไรได้แม้แต่การนึกคิดถึงเรื่องการผิดศีนผิดอะไรตัวอะไรก็ตามแต่ถ้าหากเราไม่เอากายไม่เอาวายจาของเราไปประกอบแล้วศีนของเราไม่ขาดแต่ในใจของเรามันจะเริ่มด่างเริ่มพลอยแต่ถ้ า, าเราตั้งอกตั้งใจรักษาศีนยิ่งเพื่อที่จะตั้งอกตั้งใจบาเพ็ญให้เกิดสมาธิ จิตของเรามันดิ้นรนอยู่ข้างในโดยอํานาจของกิเลสตันหาถึงแม้ว่าจะรักษาศีลเต็มร้อเซตแต่ข้างในถ้าหากเราไม่มีความสงบไม่มีการภาวนาเพื่อจิตได้รับความสงบแล้วจิตของเราก็ดิ้นรนอยู่ในนั้นเพราะตัวตันหาภายในนั้นมันพ่าดิ้นดิ้นให้รักดิ้นให้ชังดิ้นให้โกรธดิ้นให้เกลียดดิ้นให้อิจฉาริษยาพยาบาทพอมันดิ้นไปดิ้นมาดิ้นมาดิ้นไปดิ้นไปดิ้นมาเดี๋ยวเราก็ไปสนองให้มัน ลองมือประกอบเป็นกายกรรมลงไปสร้างเวรสร้างกรรมอีกแล้วลองมือประกอบด้วยวจีกรรมลงไปเป็นเวรเป็นกรรมอีกแล้วเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจนจึงสอนให้เราเห็นความจำเป็นว่าเราจะต้องสงบจริงอยู่เราสแสวงหาความสุขทางโลกหาเงินหาทองหาเกียรติหายศหาสรเสรินบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้ จึงบางคนได้ไม่รู้จักเลือกด้วยแล้วยังไงเอาหมดบางทีได้ลาบได้ยศได้เกียรติได้อะไรมาแต่ไม่มีความสุขเพราะสิ่งเหล่านั้นได้มาในทางที่ไม่ถูกไม่ชอบพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ให้ความสำคัญท่านให้ความ ส, าคามสำคัญที่ความสุขในหัวใจพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญที่ความสุขในหัวใจจะมีลาบมียศมีเกียรติมีอะไรมากมายเท่าไรก็ตามแต่ในใจนะถูกเผา เหมือนภูเขาไฟร้อนระอุทะลักออกมาอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นเราจะมีความอยู่เย็นเป็นสุขได้อย่างไรในเมื่อเรามีใจหนึ่งเดียวแสดงโลกนี้ให้ปรากฏกับเราแต่เรารักษาไม่ได้เท่ากับเราทำลายตัวเราเองพระพุทธเจ้าท่านจึง ส, งสอนให้เราหยุดจิตไม่นึกคิดตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามสัมผัสวิธีการก็คือให้เราภาวนา เราต้องการให้เขาสงบอย่างเดียวเขาสงบไม่ได้ต้องมีงานให้เขาทำงานให้งานที่ทำนั่นก็คืองานภาวนานี่เองคาว่าภาวนาคือการทำจนได้ทำจนมีทำจนเป็นที่เ่าเรียกว่าภาวนาภาวนาทำยังไม่ได้ยังไม่มียังไม่เปลี่ยนก็คือไม่ได้ไม่มีไม่เปลี่ยนอยู่นั่นเองทำกี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่ตั้งอกตั้งใจทำมันก็ไม่ได้อยู่นั่นเอง응คือทำทไม่ต่อเนื่องแลวก็ทาไม่ถูก ทำขี้เกียจขี้คร้านก็เลยไม่ได้ประสบผลตามที่เรามีความมุ่งหวังพระพุทธเจ้าท่านจึงให้หยุดความนึกคิดซะก่อนจิตของเราแค่หยุดนึกคิดตามอารมณ์ที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสจิตของเราจะได้เริ่มสงบเมื่อเริ่มสงบจะเริ่มมีความสุขในหัวใจของเราที่มันไม่มีความสุขในหัวใจของเราเพราะกิเลสเหล่านั้นมันพาเรานึกเราคิด คิดไปเรื่องอย่างหนึ่งมันแย่จิตเข้ามาคิดไปอีกเรื่องอย่างหนึ่งก็ถูกแย่จิตเข้ามาทำให้จิตของเราเนี่ยก็ทบกระเทือนตามสัญญาอารมณ์เหล่านั้นทุกระยะทุกเวลาไม่จบไม่สิ้นเพราะฉะนั้นเราต้องการความสุขเพื่อต้องการความสุขอย่างบริสุทธิ์สดๆร้อนๆท่านให้เราหยุดหยุดทันทีหยุดโดยเอาบทธรรมมากำกับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธด้วยเหตุที่เราดารึก ดำริเราตรึกเรานึกเราคิดเรื่องพูดโถมันเป็นธรรมในเมื่อเราทําอยู่เป็นประจํามันกลายเป็นทํางานของธรรมเป็นธรรมเป็นกรรมเป็นวิบากผลรายได้เป็นเรื่องของธรรมทั้งหมดแต่ถ้าหากเราไม่เอาธรรมมาดําริกับจิตแล้วกิเลสมันก็ดําริที่จิตมันเป็นกิเลสถ้าให้เราทํากกรรมเป็นวิบากผลรายได้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมด งานอย่างหนึ่งทำเพื่อไรายได้ของกิเลสกับงานอย่างหนึ่งทำเพื่อไรายได้ของธรรมท่านทั้งหลายต้องการอะไรก็เลือกเอาเราต้องการความสุขความเจริญผลรายได้จากการที่เรามีศินมีธรรมผลรายได้จากการทุกข์ยากลำบากทุกข์จนข้นแค้นเร่าร้อนเหมือนอยู่ในนรกขุมใหญ่ๆก็คือผลผลของบาปกรรมท่านจึงให้เราใคร่ครวญพุทธเจ้าท่านจึงให้ละ ชั่วให้ทําดีให้ละบาบปบาเพ็ญบุญให้ละความโง่บําเพ็ญให้เกิดสติให้เกิดปัญญาแค่เราหยุดจิตให้ได้อยู่กับอารมณ์เดียวเราก็มีความสุขมีความสงบเราบริกรรมอยู่อย่างนี้จนจิตของเราในอิ่มในระหว่างที่เราบริกรรมอยู่นั้นอ่ะมันเหมือนกับเราป้อนอาหารเข้าไปกับจิตอย่าลืมว่าอารมณ์ที่เปลี่ยนธรรมนั้นเป็นอาหารของจิตไม่ใช่รูปเสียงกลิ่นรสควรพระธรรมอารมณ์เหล่านั้นเป็นอาหารของจิต เราไปเที่ยวดูทั้งวันทั้งคืนดูกี่วันกี่เดือนหมดไปกี่ทวีปก็ตามไม่มีอิ่มไม่มีพอเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเชื้อของกิเละมันเป็นอาหารของกเกลเละเราไปเที่ยวดูเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มไม่พอแต่การไปเที่ยวดูสิ่งเหล่านั้นถ้าคนมีสติมีสัมผชัญญะมีปัญญาเป็นพื้นเป็นบาดเป็นฐานเจริญวิปัสสนาไปด้วยได้ผลได้ปัญญาคนที่มีจิตที่มีความสงบเห็นรูป ก็จะเอารูปนั้นแหะเป็นเหตุให้เกิดปัญญาได้ยินเสียงก็จะเอาเสียงนั้นเป็นเหตุให้เกิดปัญญาได้ยินได้สัมผัสได้น้อมนึกระ ล, ลึกในหัวใจยังไงก็ตามแต่ตรองตามแล้วได้ปัญญาแต่โอกาสที่มันจะเป็นไปโดยสะดวกสบายนั้นมันเป็นไปได้ยากเพราะตัญหาภายในใจของเราเนี่ยมันรุนแรงถ้าหากเราไม่หยุดด้วยความสงบเสียก่อนเพราะฉะนั้นเราสามารถทําได้หนึ่งสมถะสองวิปัสสนาหนึ่งเราทําให้จิตได้รับความสงบเป็นสมาธิ ความแนบแน่นความมั่นคงของจิตพร้อมที่จะทำงานความพร้อมของจิตที่จะจะทงานก็คือจิตของเราได้รับความสงบจิตสงบถึงเราไม่บริกรรมจิตก็ไม่ไปจิตจะไม่หลงนึกเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกินอยู่กับความสุขอยู่กับปีติอยู่กับความอิ่มเอิบนี่คืออารมณ์ของธรรมอารมณ์ของธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นเองไม่ได้เราต้องทาเอาเราคอยให้เขาเป็นเองเป็นไม่ได้ เพราะทั้งนี้เป็นงานงานถ้าเราไม่ทําในเมื่อเราไม่ทําเหตุผลก็ไม่มีตามมาบางครั้งเราไปทําเหตุผิดผลก็ยิ่งไม่เกิดขึ้นถ้าเราทําผลถูกเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเรามีหวังว่าจิตเราต้องได้รับความสงบยิ่งเรามีศีลหนุนด้วยแล้วไม่เป็นเหตุให้เราไม่ไม่เป็นเหตุให้จิตของเราเนี่ยก็อควณตัวเองก็อคุณยังไงคนไม่มีศีล น, นั่นนะ่ะ พอไปนั่งภาวนาปุ๊บโอ้นึกถึงเรื่องรักเรื่องชังเรื่องโกรธเรื่องเกลียดนึกถึงอยากรักอยากขโมยอยากฆ่าอยากกินกินเหล้าอของของดองน้ําดองของเมามันมีความอยากนั่งปรุงนั่งนึกนั่งคิดแต่ถ้าหากเรามีศีลด้วยแล้วเนี่ยพร้อมที่จะทําให้จิตของเราได้รับความสงบเพราะฉะนั้นท่านจึง จึงสอนว่าศีลหนุนสมาธิสมาธิหนุนปัญญาแท้จริงข้อปฏิบัติเป็นไปตามนี้อย่างแท้จริงเราไม่ต้องสงสัยอืเมืม่อจิตเราได้รับความสงบเราก็ามาเจริญปัญญาการพิจารณาทางด้านปัญญาบางทีเราก็ไม่รู้จักคิดใจจับอะไรมันมีวิธีการอีกหลายอย่างที่จะทําให้เราพิจารณาแล้วเกิดปัญญาสิ่งที่เป็นอารมณ์ภายในหัวใจของเรานั่นแหละมันจะเป็นประกาย เราดูเราพิจารณาเราใคร่ควรไปแล้วทําให้เกิดประกายเกิดความสว่างในหัวใจของเราแต่ต้องมีสมาธิหนุนถ้าไม่มีสมาธิหนุนเนี่ยจิตของเราจะถูกตัณหายื้อไปแย่งไปเพราะตัณหามันคอยจตฉลักทะลักเข้ามาในหัว ใ, วใจของเราแม้แต่ในขณะที่เราเภาวนาให้จิตสงบคาให้จิตสงบสงบก็คือตัณหามันสงบไม่ใช่มันหมดมันหยุดเฉย เนื่องจากว่าเราเอาอารมณ์ทำไปทำงานแทนจิตของเราจึงสงบไม่ใช่มันหมดไปแต่พอสงบแน่นหนาะมันคงมันคงมากมากเข้า <c oughs> มันมีเป็นภูมิเป็นพื้นเป็นบาดเป็นฐานคอ้เราตั้งอกตั้งใจทำเรื่อยๆทำเนืองททำบ่อยๆจิตของเราจะได้รับความสงบเมื่อสงบแล้วเราต้องการพิจารณาเราก็เอาหลักมหาสติปัฏฐานนี่แหละมาพิจารณาพิจารณากาย พิจารณาเวทนาพิจารณาจิตเราจะดูมาที่กายแล้วก็ย้อนมาดูที่จิตเราดูที่กายก็ตาเห็นรูปย้อนมาดูที่จิตหูได้ยินเสียงย้อนมาดูที่จิตการที่เราทำแบบนี้มันเป็นการพิจารณาให้เกิดปัญญามันเป็นการเพิ่มพูนสติเพิ่มพูนสามัญญาของเราให้เรารู้ให้เราเห็นให้เราเข้าใจ ถ้าหากเราไม่มีข้อปฏิบัติอย่างนี้แล้วมันไม่มีอะไรที่จะเป็นกระแสมาต่อสู้กับกระแสของตันหาสู้มันไม่ได้อาศัยตัวสมาธิฉะลอเอาไว้อาศัยปัญญาคิดค้นคว้าเอาจิตตัวนี้ใช้ด้วยเจตจำนงที่เต็มร้อยตั้งอกตั้งใจพิจารณาอย่างเต็มร้อยพิจารณาไปพิจารณาไปเน็ดเหนื่อยท่านก็ให้เข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสงบอิ่มเ อ, อิบขึ้นมาเสร็จแล้วท่านให้พิจารณา เราจับสองหลักแค่นี้เราจะไม่สับสนไม่วุ่นวายเราจะเอาอารมณ์อะไรก็เหมือนกันหมดพุโทโธพุธโ ท, ทโธพุทโธธรมโมธรมโมธรมโมสังโฆสังโฆสังโฆเราจะเอาอารมณ์อะไรก็ตามแต่เรามาทดสอบได้เวลาจิตของเราได้รับความสงบในเมื่อมันสงบเข้าไปแล้วเราว่าพุโทโธก็เหมือนกับธรรมโมก็เหมือนกับสังโฆเราว่าธรรมโมก็เหมือนกับว่าพุโทโธเราว่าสังโฆก็เหมือนกับพุโทโธเราว่าอะไร เราหายใจเข้าหายใจออกก็เหมือนกับพุทโธเพราะจิตมันสงบจิตมันไม่ไปแต่มันเหมาะสำหรับจะเอาไปพิจารณาให้เห็นความเคลื่อนไหวของรูปธรรมของนามธรรมที่สันนิษฐานว่าอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาทําไมท่านจึงพยายามชี้ไปที่อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเพราะอันนี้เป็นภาวะเป็นไตรลักษณ์เป็นลักษณะเป็นอาการของสังขารสังขารทุกๆสังขารจะต้องมีกิริยาเหล่านี้ ให้เราดูเพื่อไม่ให้เราตายใจเช่นอย่างร่างกายของเราจะไม่คงทนต้องเปลี่ยนไปไม่คงทนนั่นนะคือทุกเปลี่ยนไปคืออนิจจังทั้งความไม่คงไม่คงทนทั้งความเปลี่ยนไปนะันเราไปดัดแปลงได้ไหมเราไปเบนเบนเบี่ยงให้เป็นทางอื่นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เพราะอันนี้เป็นกระแสของธรรมที่ทำงานในหน้าที่ของรูปธรรมก็เป็นอย่างนี้นามธรรมก็เป็นอย่างนี้ คำว่านามมาทาเป็นอย่างนี้หมายความว่านามมาทำของเราที่ยังเกี่ยวข้องกับกิเลสตัณหาอยู่ทำให้จิตของเราเนี่ยขึ้นขึ้นลงลง ล, งลุ่มลุ่มรอดอดทำดีบ้างทำเสียบ้างทำดีบ้างทำชั่วบ้างสับเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้อย่างไม่จบไม่สิน้นเพราะมีกระแสของตัณหามีกระแสของกองสังขารที่ยังจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาไม่เหมือนพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้า พระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นหนึ่งเดียวไม่เป็นสองไม่เป็นสังขารไม่เป็นสองกับสิ่งใดคําว่าสังขาร น, นั้นคือสิ่งตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปประกอบกันท่านเรียกว่าสังขารเราดูให้เห็นง่ายๆดูให้เห็นชัดๆที่เกี่ยวกับตัวเราเนี่ยเราย้อนไปในท้องแม่ของเราย้อนไปย้อนไปย้อนไปย้อนไปนู่นไปถึงธาตุพ่อกับธาตุแม่ประกอบกันในท้องแม่เป็นกองสังขารกองหนึ่ง หลังจากประกอบกันแล้วสังขารนั้นจะไม่อยู่เท่าเดิมเปลี่ยนจากน้าําใสๆมาเป็นน้ําข้นๆมาเป็นน้ําล้งเลือดมาเป็นค้อนเลือดมาเป็นค้อนเนื้อมาเป็นปัญจักษาขาขยับเข้ามาเรือดไม่เคยอยู่เท่าเดิมการไม่อยู่เท่าเดิมกับการอาศัยเหตุปัจจัยเข้าไปหล่อเลี้ยงนั้นมีความจําเป็นต่อกันและกันเราจะเห็นว่าเราอยู่ในท้องแม่ของเราเราจะมีสายรบสายสะดือเป็นท่อลําเลียง เพื่อไปทําให้สังขารก้อนนั้นเจริญเติบโตตามรูปพัน์ลักษณะของความเป็นมนุษย์การกําเนิดของมนุษย์มันจะมีอยู่อย่างนั้นเรามองอย่างนี้แล้วเราจะเห็นลักษณะของความไม่คงทนนั่นคือทุกขังความที่ต้องเปลี่ยนไปนั่นคืออนิจจ์เราดูไปที่อื่นมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ร่างกายของเรามันได้กําลังใจยากเราดูมาตรงนี้มันเป็นเรื่องของเรา เหมือนอย่างเราย้อนจากตอนนี้เดี๋ยวนี้ย้อนเข้าไปใไนทางแมปย้อนไปย้อนไปย้อนไ ป, นไ ป, นไปจนไม่มีตัวตนเสร็จแล้วก็ขยับออกมาออกมาโตเข้ามาโตเข้ามาโตข้นมาจนออกมามาถึงขณะ น, นี้ตอนนี้ตอนที่เรายังไม่รู้เดียงสาภาวะเราก็ความยึดถือด้วยตันหาราคะเนี่ยมันมีเป็นพอประมาณมันยังแสดงตัวไม่ได้พอเรามีอายุเจริญวัยขึ้นมารู้เดียงสาภาวะ ความยึดถือว่าเป็นเนื้อเ ป, เป็นตัวเป็นตัวนยิ่งมากขึ้นว่าเป็นเราเป็นของของเราแท้ที่จริงเราดูไปในท้องแม่ที่ไปเกิดเป็นก้อนเลือดก่อนเนื้อนั้นอะ่ะเราเอาเลือดสักหยดไปเกิดในนั้นไหมไม่ได้เอาเลือด ส, สักหยดไปเกิดเลยอาศัยว่าธาตุของพ่อกับธาตุของแม่มาประกอบกันเราไปกับวิญญาณไปกับผู้รู้ด้วยอํานาจของตรราก็ไปจับไปจองแต่ในนั้นมีตัณหาไปด้วย ตันหาแทรกไปด้วยกับสิ่งเหล่านั้นเพราะอันนี้เป็นผ ล, ผลของตันหาอย่าลืมว่ารูปธรรมนามธรรมทีท่เรามีอยูน่ น, นี้เป็นผ ล, ผลของตันหาเพราะตันหามันสร้างสร้างรวงสร้างรังสร้างรบสร้างรากแม้แต่ทรงเรามาเกิดแล้วเขาก็ยังมีกระบวนการที่จะผลิตตันหาใหม่เพิ่มขึ้นเหมือนอย่างที่ว่าตาเห็นรูปเกิดความยินดีเกิดความยินดีมันก็เป็นเวทนา แล้วก็ยึดเอาเป็นตันหาเป็นอุปาทานมันยึดกันนี่คือตันหาใหม่เกิดเป็นผลรายได้เพรามันถ้าหากเราเจริญให้ตันหาเหล่านี้เพิ่มคูนทวีคูนเกิดขึ้นอยู่ร่ำไปคุณสมบัติความเป็นมนุษย์ก็ไม่มีพระพุทธเจ้าท่านทรงได้อุบัติมาด้วยอํานาจของธรรมเลยได้วิธีการนี้มาบอกมาสอนพวกเราแต่ไม่ใช่ได้มาด้วยจับเสือมือเปล่าพระรงองค์ทรงสร้างบารมีสอสงไขยแสนมหากับ บางประเภทแปดอสศงไขแสนมหากับบางประเภท16บหกอาศงไขแสนมหากับในนั้นตั้งออกตั้งใจทํารื่อเรีย่ยวแรงชีวิตสละเป็นสละตายเข้าไปขอให้ได้คุณสมบัติเหล่านี้เพื่อที่ะตัวเองจะได้พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายพ้นจากอันตร จ, จังทุกขังอนัตตาในที่สุดด้วยบุญญาบา ร, รมีสร้างสมโอรรมจนเต็มเปีย่ยมพระพุทธคุณดมของเราสีอสศงไขแสนมหากับ พอสำเร็จลุล่วงมาแล้วแม้แต่พระชาติสุดท้ายนี่ก็ยังต้องไปออกบำเพ็ญต้องผิดทางเป็นระยะเวลาถึงห้าหกพระพรรษาจนกว่าจะเข้าหลักเข้าฐานที่จะได้ตรัสรู้ธรรมเป็นเวลาถึงหพระพรรษาพอเวลาบรรลุธรรมเข้ามาแล้วก็แน่ใจชัดเจนว่าหมดแล้วกิเลสตัณหาในหัวใจของเราหมดแล้วเมื่อก่อนนั้นเคยไปฝึก อาจสมาบัติกับอุทกดาบุตรา拉ระดาบท <c oughs> จบภายในระยะเวลาไม่กี่วันอาจารย์ก็บอกว่าฉันหมดเวลาแล้ฉันหมดวิชาความรู้แล้วแต่สิทธิฐานนั้นยังมองไปที่พระไพระองค์ยังมีความทุกข์กองเต็มแปร อ, อยู่ในนั้นเออไม่ใช่ยังมีความดีใจเสียใจชอบใจพอใจเสียอกเสียใจมีอยู่ในนั้นหมดยังเป็นกองทุกข์อยู่เพราะเจะ้าแผ่นดินจึงดําริที่จะออกมาบำเพิญโดยลําพัง แต่ก็ด้วยบุญญาบารมีมากระตุ้นเตือนทำให้พระองคออกมาบำเพ็ญเราจะเห็นว่าในวันเพ็ญเดือน6นั้นพระองทรงบำเพ็ญตั้งพระหาไทัยว่าเนื้อเลือดเหงือดแห้งไยแห้งไปเหลือแต่หนงังคุ้มกระดูกก็ตามจะไม่ลุกขึ้นถ้าไม่บ ร, รรลุพระสัมมาสัมพุทธิยารารูสิการที่จะได้รู้ทำเห็นทำแต่ละครั้งแต่ละครั้งจะต้องมอีจะต้องมีสัจจทิฐานหรือสั จ, จาทิฐาน มีการอธิษฐานคือตั้งอกตั้งใจที่จะเอาแล้วก็มีสัจจะมีสัจจะกำกับอยู่ในนั้นเหมือนอย่างที่พระเราทรงตั้งนี้สัจจะก็คือเนื้อเลือดเหงื่อแห้งไปก็ตามไม่ลุกขึ้นเด็ดขาดถ้าไม่ได้บรรลุนั่นอันนั้นคือความปรารถนาการต้องการบรรลุนั้นคือความปรารถนาตั้งสัจจะก็คือเนื้อเลือดเหงื่อแห้งไปหรือเป็นหรือตายก็ตามจะไม่เละยอมลุกเด็ดขาดอันนี้คือสัจจะ เพราะฉะนั้นเราทำงานทุกอย่างเราต้องมีสัจจะการรักษาศีลก็ต้องมีสัจจะอย่าลืมว่าศีลเราจะอยู่ได้อยู่ได้ด้วยสัจจะถ้าเราไม่มีสัจจะแล้ว เ, เราลืมสัจจะแล้วศีลเราก็ขาดสมาธิก็เช่นเดียวกันต้องการนั่งให้จิตสงบ <c oughs> ระยะนี้เราจะเอาสักหนึ่งชั่วโมง <c oughs> เอาให้ได้หนึ่งชั่วโมงห้าสิบนาทีห8าสดหกนาทียังไม่ถึงชั่วโมง เอาจนถึงชั่วโมงแล้วก็มีเศษมีเหลืออีกนี่คือได้ตามสัจจะที่เราตั้งเอาไว้การหัดตั้งสัจจะเอาไว้นั้นมันเป็นการสร้างบารมีเหมือนกันที่ทจะเรียกว่าสัจจะบารมีทำมากๆข้ามันแน่นหนามั่นคงทําให้เรามีพลังในการที่เราจะตั้งสัจจะอธิษฐานเพื่อทําใหสส้สิ่งนู้นสำเร็จสิ่งนี้สําเร็จได้นี่พระพุทธเจ้าของเราได้เอามาใช้ในวันนั้นพระองค์ทรงมั่งเพงตั้งแต่หัวค่ําได้บุกเพดีวาสานุสติยาน เห็นการเกิดตายเกิดตายเกิดตายพบชาติของพระองค์ไม่จบพิจารณาถอยหลังไปไม่จบเป็นกลับเป็นวัตจักรเป็นวิวัฏจักรไม่จบยิ่งพิจารณาย้อนหลังยาวไปแสดงเห็นเท่านั้นไม่รู้จัะจบโอ้อะไรเกิดตายเกิดตายพยายามท่ากลางก็เห็นสัตว์ทั้งหลายเกิดตายเกิดตายด้วยอํานาจของกัปทั้งสองยามนี้ทําให้พระองค์เห็นพบชาติของพระองค์และก็สัตว์ทั้งหลายเกิดตายเกิดตายอะไรเป็นเหตุให้เกิดให้ตายกันแน่ ทรงค้นคว้าเพื่อหาเหตุที่ว่าให้เกิดให้ตายเพราะฉะนั้นในปัจฉิมยามเป็นเหตุให้พระองค์ได้บรรลุอาสวัคยาญาณในระหว่างที่พระองค์หมุนอยู่นั้นมันเป็นการแผดเผาด้วยตปะธรรมอย่างยิ่งและด้วยบุญญาปรมีที่สร้างเสริมอบรมมาเป็นเหตุให้พระองค์บรรลุถึงอาสวัคยาญาณภายในพระไตยของพระองค์รู้ชัดเจนว่าที่เรียกวิญญาณอ่า อาสวัค ย, ยาญาณคือความรู้ความอย่างรู้ว่ากิเลสตัณหาภายในพระทัยของพระองค์หมดไปสิ้นไปทําให้พระองค์รู้สึกปล่อยใจแล้วดูไปในใจของพระองค์นะั้นโล่งหมดไม่มีสิ่งเหล่านี้กองอยู่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนทำเท่าไหร่ก็ยังมีสิ่งเหล่านี้กองอยู่แสดงว่าพระองค์ยังไม่พ้นทุกแต่คราวนี้พระองค์หมดแล้วเห็นผู้ที่ทําบ้านทําช่องให้พระองค์อยู่พระองค์ทรงเปล่งขาดฐาภาสิทธ ปฐมภาคสิทธิเพื่อเ ย, ย้ตันหาเฮ้ยเราเห็นหน้าแล้วตันหาเป็นคนสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างอะไรตอลอดให้เราอยู่สร้างให้เราไปอยู่ที่นู่นสร้างให้เราไปอยู่ที่นี่มาถึงตอนนี้เรารื้อหมดแล้วแหละบ้านช่องที่เคยสร้างรือ้อภพรื้อชาติหรืออะไรจบสิ้นหมดแล้วเป็นการเยยตันหาเป็นการพอยใจผลงานที่พระองค์ได้ทําได้บรรลุโดยเฉพาะส่วนพระไทยของพระองคนะ์น่ะบรรลุบริสุทธิ์หมดจดแล้วต่อไปก็มีงานที่จะต้องทําให้กับ สัประศักด์ทั้งหลายทั้งปวงตามปณิธานที่ตั้งเอาไว้เป็นศาสดาเพื่อนําสัตว์ทั้งหลายออกจากกองทุกในวัดสะสมสารหลังจากนั้นก็มาดําดำริที่จะสอนเห็นโอ้อาจารย์เราดีแห ล, ละเอียดตั้งใจจะสอนตั้งใจจะไปสอนแต่ว่าอาจารย์องค์หนึ่งเขล่วงไปแล้วเจ ว, วันองค์หนึ่งเขล่วงไปแล้วเมืเอ่อเช้านี่เองอ่าเลยโอ้เสียดายเสียดายแทนเพราะอาจารย์ทั้งสองนี้มีกิจที่ละเอียดมาก แต่มันปล่อยอัตตาตัวตนไม่ได้เพราะมันไม่ได้พิจารณาให้เห็นเป็นอันนี้องทุกครั้งอัตตาเห็นไตรลักเหมือนพระพุทธเจ้าเลยมีการยึดความสงบอย่างนั้นแหละอย่างเหนียวแน่นมั่นคงความสงบความสุขถ้าไม่มีผู้มาสำรวจความสุขจะเอาอะไรมาสุขอันนี้คือคติอันหนึ่งที่พราหมณ์เขาถือได้เขายังมีความสุขกับการที่เขายึดถือความสงบเหล่านั้น บรรดาหรือสีชีพไรสมัยนั้นคขาบําเพ็ญได้รูปปัสมะบัติอรูปปสมะบัติตามๆกันไปมากมายหลังจากดับชีพายชนไปแล้วก็ไปอุบัตในโพรหมโลกอายุไม่รู้เท่าไรเป็นกับกับกว่าจะมาอุบัติอีกเพื่อได้สร้างบารมีอีกสิ้นระยะเวลาเนิ่นนานพระพุทธเจ้าวไว้ฝึกจนจบแล้วไม่เห็นมีช่องทางที่จะหมดทุกไปได้ พระพุทธเจ้ามาพิจารณาตามหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาโอ้อนิจจังเน่ยเรายึดไม่ได้ทุกขังเราก็ยึดไม่ได้เพราะฉะนั้นเลยปล่อยไม่มียึดด้วยเหตุที่ไม่ยึดตนเองก็คือไม่มีตัวไม่มีตนแต่หากตัวตนผลมโผล่ขึ้นมาทีไรเมื่อไร่อัตตามก็โผล่ขึ้นมาอัตตาโผล่ขึ้นมาทีไรตัวตนมันก็โผล่ขึ้นมาเมื่อตัวตนโผล่ขึ้นมาทิฏฐิมานะมันก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นมาทันที มีเรามีเขามีดีกว่ามีเลวกว่ามีประณีตกว่ามีประเสริฐกว่ามีเลอกว่ามีสูงกว่ามีต่ำกว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดข้อเทียบเคียงตามมาเพราะอะไรเพราะการถือตนแท้จริงศาสนาธรรมของพระองค์นั้นท่านปฏิบัติเพื่อให้ละความถือตนละอัศมิมานะใครละได้เท่าไหร่คนนั้นมีความสุขแต่ท่าละไม่ได้ยิ่งกอบโกยมากองไวเท่าไหร่ ความสุขเหล่านี้ก็มีความสุขนี้นหน่อยหน่อยความทุกข์เหล่านั้นก็ระอุอยู่นะเหมือนไฟสุมอยู่ในในในเท่าในฐานพุทธเจ้าพิจารณามาถึงตรงนี้โอ้ยภาวะของธรรมชาติเหล่านี้เรายึดไม่ได้เราไปกะเกณฑ์ให้เป็นอย่างนั้นตามใจหวังของเราไม่ได้กะเกณฑ์ให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้หยุดที่จะเอาใจไปไปบังคับสิ่งนั้นให้เป็นเป็นตามใจเราหยุดที่จะเอาใจไปบังคับสิ่งนี้ให้เป็นเป็นตามใจเรา พระองค์ก็พ้นทุกข์พนโทษต ร, ตรงนี้ไปได้จึงได้หลักคําว่าอนัตตาอนัตตาอนัตตามาโผล่ถ้ำกลางอัตตาในสมัยนั้นซึ่งเป็นหลักปรัชญาที่โอ้หน้าฝังมากๆในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าท่านมาพลิกแปลงแป๊บเดียวทําให้พระองค์พ้นไปได้กองสังขารที่เคยมารุมเร้าพระธ์ไทยของพระองค์ด้วยอวิชชาด้วยตัณหาด้วยอุปาทานจริงเหล่านี้ก็ดับมอดไปดับมอดไปด้วยอํานาจของธรรม ที่ไปหมุนไปแผลไปเผาจนเป็นเหตุให้พระองค์เกิดญาณอย่างรู้ขึ้นมาว่าจิตพระองค์เป็นหนึ่งเดียวแล้วบริสุทธิ์แล้วหมดจดโดยชื่นเชยเราฟังอย่างนี้เราเราขึมาระลึกย้อนหลังถึงจิตของคนเราแต่ละคนนั้นคือผู้รู้ผู้รู้ของเราอุบัติมาทีแรกเลยไม่ใช่อุบัติมาแต่ผู้รู้เฉยๆมีสิ่งไม่ดีตามมาด้วยมีอวิชชามีตัณหามีอุปาตาทานตามมาด้วย หัวใจของใครของใครจะต้องมาซักมาฟอกมาขัดมากล่าวมาชักมาล้างเอาแต่ถ้าจิตบริสุทธิ์มาตั้งแต่ตั้งเดิมเราคงไม่ต้องเกิดโดยเหตุที่จิตของเราไม่บริสุทธิ์มาตั้งแต่ตั้งเดิมอย่างนี้เอง <c oughs> พระพุทธเจ้าท่านจึงพยายามจงแยกสิ่งเหล่านี้ออกไปจากจิตให้จิตเป็นหนึ่งเดียวไม่เกี่ยวกับกิเลสตัณหาอาสวะแยกกิริยาเหล่านั้ น, น่ะ กิจยาของโมหะทําให้เราหลงโลภหลงโกโรธหลงอิจฉาดิสยาพยาบาทความหลงเหล่านั้นแหละมันปิดบังหัวใจของเราไม่รู้สึกเนื้อไม่รู้สึกตัวแต่สามารถยับยั้งได้ด้วยความสงบและสามารถตัดถอนและก็ทำลายได้ด้วยปัญญาเราพิจารณาตามนี้แล้วเราก็ไม่เจริญแค่ความสงบนั้นทําให้เรามีความสุขใหญ่มีความอิ่มใจเป็นกิจที่มีอิสระเสรีและก็เป็นกิจที่มีความสุข อย่างบริสุทธิ์มันเป็นความสุขที่ไม่อิงออมิิตรงความสงบของจิตอย่าลืมว่าความสงบของจิตก็คือตัณหาสงบมันไม่หมดแต่มันสงบอยู่กระแสของตัณหามันสงบอยู่แต่กระแสเหล่านี้เราตัดได้ด้วยปัญญาปัญญาก็คืออะไรก็คือความอย่างรู้เข้าไปพิจารณาพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าให้เห็นที่ไปที่มาโดยเฉพาะเป้าประสงค์ที่สันสอนก็คือให้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความไม่คงทนเห็นความเปลี่ยนแปลง ใครเห็นอนิจจังก็เท่ากับเห็นทุกขังเท่ากับเห็นอนัตตาใครเห็นอนิจจังก็เท่าเท่ากับเห็นทุกขังเท่ากับเห็นอนัตตาใครเห็นอนัตตาก็เท่ากับเห็นทุกขังเท่ากับเห็นอนิจจ์มันเป็นภาวะที่เกี่ยวข้องกันที่สืบเนื่องกันแต่คําว่าอนัตตานั้นเกิดในใจของเราที่เรายึดภาวะของธรรมชาติเหล่านั้นมันเป็นไปตามภาวะของธรรมชาติ แต่ด้วยเหตุที่เราไปยึดภาวะเหล่านั้นเพื่อจะให้ไปเป็นไปตามใจหวังของเราจึงเป็นอัตตาแต่ถ้าเราปล่อยเราไม่ยึดให้ภาวะเหล่านั้นให้เป็นไปตามหลักของภาวะตามสภาวะเหล่านั้นเหล่านั้นก็กลายเป็นอนัตตาปล่อยจนหลุดจนหมดจนหมดสิ้นจนเกิดความรู้เกิดญานนณทัศน์ว่าเราเออพ้นแล้วรู้เท่ารู้ทันรู้ปลงรู้ปล่อยได้หมดจดโดยสิ้นเชิงแล้วความสุข ความบริสุทธิ์หัวใจก็จะมีความสงบมีความสุขอย่างเต็มที่หมายความว่าจิตดวงนั้นไม่มีสังขารเข้าไปเกี่ยวข้องมีความรู้หนึ่งเดียวถ้าเป็นเรื่องของสังขารต้องมีสิ่งตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปเหลือแต่พาตรู้ที่บริสุทธิ์พระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระสงฆ์สาวพระอริยาสาวก <c oughs> <c oughs> เวลาท่านดับขันเข้าสู่อนุอนปาทิเสชนิพานแล้ว ยังมีอยู่ยังมีอยู่พระจิตที่บริสุทธิ์นั้นยังมีอยู่เหมือนอย่างที่พวกเรากราบเระลึกถึงพุทธังสรนังขจามิธรรมังสังัขสรนังขจามิสังขังสรนังขจามิมันก็เถือนถึนงกระเทือนถึงพุทธธรรมะสังฆะพระพุทธเจ้าจึงพูดเปรียบให้เราเข้าใจทราบว่าใครอยากเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผูนั้นเห็นธรรม พระองค์ทรงใกล้จะวรรณะพานตาอนถามว่าใครจะเป็นศาสดาแทนพระองค์พระองค์พระองค์ว่าพระธรรมนี่แหละเป็นศาสดาแทนพระองค์เพราะใครตั้งใจปฏิบัติตามนี้คนนั้นจะรู้จะเห็นเราและจะเข้าถึงความบริสุทธิ์เหมือนเราเดี๋ยวนี้พระจิตของพระองค์พระจิตที่บริสุทธิ์ของพระองค์ยังกระเทือนยังก้องในหัวใจของพวกเราอยู่ เพราะฉะนั้นพวกเรากล่าวพุทธังสนังกระจฉามิธรรมังสนังกระจามิสังขังสนังกระจามิให้ตั้งอกตั้งใจกล่าวแล้วก็ย้อนมาดูที่จิตของเราจิตของเราเริ่มมีสมาธิ <c oughs> เราก็จะเริ่มเห็นพระพุทธเจา้าจิตของเราจะเริ่มมีปัญญาเราจะเริ่มเห็นพระพุทธเจา้าจิตมลจดจากเกเล็โดยสิ้นเชิงเห็นพระพุทธเจ้าเต็มองอันนี้คือคติของชาวาพูดเราไม่ใช่คตินึกคิดเฉยๆเป็นสิ่งที่มีได้เป็นได้ เรามาดูตัณหาว่ามันเกิดขึ้นยังไงมันดับยังไงตัณหาในหัวใจของเรามันเกิดขึ้นยังไงมันดับยังไงตัณหาเก่ามันส่งมาแล้วแต่บางคราวมันไม่แสดงออกมามันเหมือนกับมันสงบนิ่งแต่เวลาเราเห็นมันปรากฏออกมาเราจะเห็นเห็นว่าตากระทบรูปปั๊บเกิดความรู้เกิดความเห็นที่เรียกว่าสัมผัสเสร็จแล้วเกิดยินดีที่เรียกว่าเวทนาเกิดยินร้ายที่ท่านเรียกว่าเวทนาแต่ถ้าหากเราไม่เจริญสติ เช่นอย่างหลักของมหาสติปัฏฐานเรามีสติกำหนดจดจ่อรออยู่ตาเห็นรูปสักเทวาเห็นไม่ยินดีไม่ยินร้ายเนี่ยตัณหาเกิดไม่ได้แต่ถ้าหากเราไม่มีสติกำกับไม่มีสติควบคุมเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายเกิดความยินดีเมื่อไรเกิดความยินร้ายเมื่อไรตัณหาแทรกเข้ามาเมื่อมีตัณหาแล้วก็มีอุปาทานมีพบมีชาติตา ม, มาทันที อันนี้เป็นกระแสการเกิดของธรรมที่มันจะพึงเกิดใหม่ในเมื่อของใหม่มีอยู่ยนี้เป็นอยู่อย่างนี้ของเ ก, ก่าก็ต้องมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เราเจริญอยู่อย่างนี้เป็นอาคินเป็นอาคินวัตเป็นอาคินกรรมของเราตัณหาเกิดไม่ได้ธรรมยังต่อเนื่องตัณหาภายในหัวใจตัณหาเก่าตัณหาใหม่มันก็จะเริ่มเร่าร้อนหาเราอยู่ด้วยข้อประพฤติ้วยข้อปฏิบัติที่ท่เรียกว่าเจริญตามหลักมหาสติปัฏฐาน เอาสติมากำกับโโรอยู่เฉพาะจิตอย่าลืมว่าสติกับสัมผััญญานี้สําคัญมีความสําคัญมากคนจะภาวนาให้จิตได้รับความสงบจะต้องมีสติมีสัมผชัญญาคนจะเจริญปัญญาให้เกิดความรอบรู้เห็นอันนี้อย่างทุกขังอน้าตาก็ต้องมีสติต้องมีสัมผััญญาเรามาดํารงสติสัมผชัญญาของเราให้โโรอยู่เฉพาะหน้าเหมือนกับจิตของเราสว่างสวัย ตั้งเจตจํานงตั้งเจตนาเต็มร้อยไม่ให้ตันหามันแทรกเข้าไปทําให้ได้ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ให้เจริญหลักมาสติตจะพิจารณากายก็ตามจะพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตหรือพิจารณาธรรมก็ตามเราพิจารณาส่วนไหนก็ตามในมาติปัฏฐานทั้งสนั้นมีผลส่งถึงกันหมดเพราะผู้ทํางานคือผู้หนึ่งเดียวคือจิตของเราดวงเดียว ทำไมถึงถึงเถือนเนื่องถึงกันก็เพราะจิตผู้ทํา ง, งานดวงเดียวในเมื่อทํางานหมุนอยู่กับเรื่องหนึ่งกับอารมณ์อย่างหนึ่งอย่างอื่นมันก็สงบไปหมดระ ง, งับไปหมดดับไปหมดเข้าใจเรื่องหนึ่งก็เท่ากับเข้าใจทั้งหมดเราจะพิจรารณารูปธรรมก็ตามจะพิจารณานามธรรมคือจิตของเราก็ตามลักษณะการเจริญเราก็เจริญอย่างนี้มีสติกํากับโรูอยู่ตันหาไม่เกิดเราพยายามทําให้ต่อเนื่องนี่คือตันหามันไม่เกิดถ้าหากมันเกิดมันก็จะเกิดตรงนี้ ไอต้ตรงที่มันเห็นตรงนี้ตัณหาแทกเข้ามาแล้วก็ยินดียินร้ายเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสเป็นอาหารอันโวชะของตัณหาแต่ถ้าหากเราใช้สติใช้สัมพชัญญาดูคือเราเอาธรรมะดูตัณหาเรานั้นเกิดไม่ได้รูปก็สักแต่ว่าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสพอดะภาสักแต่ว่าเป็นอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นจิตของเรารับรู้รับสัมผัส รู้แล้วอย่างเช่นอย่างวิญญาณอะยับแล้วก็ตกไปยับแล้วก็ตกไปยับแล้วก็ตกไปเราเป็นหนึ่งเดียวเป็นผู้รู้เป็นผู้รู้การที่เรามีความรู้มีความเห็นอยู่อย่างนี้เราเห็นด้วยความรู้ความเข้าใจปัญญาอยู่ตรงไหนก็ผู้รู้ผู้เห็นนี่แหละคือตัวปัญญาอบรมสั่งสอนให้เกิดขึ้นมีขึ้นมากมายอ่าเป็นแก่นเป็นเป็นแก่นเป็นหลักเป็นพื้นเป็นบาตให้กับพื้นฐานให้กับหัวใจ เป็นเหตุทำให้เรามีความรอบรู้มีความฉลาดถ้าหากเราตั้งอกตั้งใจฝึกคุณสมบัติเหล่านี้มีประโยชน์ทั้งทางคดีโลกและทางคดีธรรมและสามารถเจริญเพื่อระงับดับความทุกข์ดับกองทุกข์ได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นงานสมาธิงานปัญญาจึงเป็นงานหลักที่จะเข้าไปรู้เห็นเรื่องสัจธรรมทําให้จิตใจของเรามีความแน่นหนามัม่นคมจึงเป็นคุณสมบัติที่เราควรฝึก อบรมให้เกิดขึ้นมีขึ้นในหัวใจถ้าหากเราไม่เจริญสติไม่เจริญปัญญาเราตั้งใจให้ทานมากมายมหาศาลตั้งใจรักษาศีลอย่างมากมายมหาศาลชีวิตของเราล่วงลับดับไปอานิสงส์ของการให้ทานการรักษาศีลทําให้เราได้สวรรค์บนสวรรค์ น, นั้นนะ่ะเป็นสถานที่ที่เราไปเสเวยการมไปบริโภคการมเต็มแพร่อยู่บนสวรรค์ เราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงว่าทานกถาศีลกถาสักขะกถาทานศีลเป็นเหตุให้เราได้สวรรค์เฉลยท่านพูดถึงโทษของสวรรค์อาทีนวะกถาสวรรค์ทั้งหลายทั้งพวงทุกชั้นนั่นนะเป็นโทษถ้าเราไปยึดเป็นโทษเพราะบนนั้นนะเป็นที่เป็นที่สวยส ส, สวยกาบโดยเฉพาะสวรรค์หกชั้นไม่เหมือนชั้นชั้นโผล่ที่เขามีความสงบหยุดสุขอยู่กับอารมณ์ เต็มแปรอยู่บนนั้นนะถ้าเราไปเพลินอยู่บนสวรรค์เท่ากับเราเพลินอยู่บนโลกอย่างการเสวยกามคุณพอเวลาหมดอายุไขไปแล้วจิตของเราก็หมดคุณคุณสมบัติตกปักไปเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณแล้วแต่กรรมเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เราออกจากกา ม, มกามานิสังสกถาอารถีนวากามานิสังสกาอานิสงของการออกจากกาม <là> เราจะออกได้ยังไงเ <c oughs> เราออกจากกามการที่จิตของเราออกจากกามนั้นก็คือจิตของเราสงบเราอยู่บ้านอยู่ช่องกายยังไม่ออกจากกามจิตยังไม่ออกจากกามแล้วก็เราอย่างก็ยังบริโภคกามเหมือนไม้สดด้วยชุ MM ่มด้วยยางด้วยแช่อยู่ในน้ําด้วยเราเอากายออกจากเรากายเอากายออกจากกามแล so ้วหมายความว่าเราไม่อยู่บ้านอยู่ช่องมาอยู่วัดอยู่ว่า เป็นคนโดดเดี่ยวบำเพ็ญอยู่อย่างนี้แต่ถ้าหากเราจิตคิดนึกตรึกแต่เรื่องการมเราก็ทำอะไรยังไม่ได้เพราะผู้ที่จะทำงานได้เด็ดเดียวก็คือใจถ้าหากใจเรายังกรุ้นคิดอยู่แต่กับสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวสักหน่อยหนึ่งเราก็กําเริบคิดไปคิดมาเดี๋ยวก็กำเริบคิดไปคิดมาเดี๋ยวก็กำเริบมันกำเริบหมุนไปหากายเกี่ยวข้องกับกาย ในเมื่อเราพยายามจะเอาใจของเราออกจากกามถึงแม้ว่าเรายังไม่เอากายออกจากกามก็ตามเราหามุมสงบตราบใดตอนใดที่เราทําใจของเราให้ได้รับความสงบนั่นแหละคือใจของเราเริ่มคลี่คลายกามออกจากหัวใจใจของเราก็เริ่มคลายออกจากหัวใจกามเริ่มออกจากหัวใจใจของเราก็เริ่มออกจากกามเราลองพิจารณาดูตามหลังนี้จิตของเราสงบมีอารมณ์กามอยู่ในนั้นไหมไม่มี อารมณ์วุ่นวายเกี่ยวกับรูปไม่มีเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์เรื่องราวปัญหาสรารพัดอย่างอื่นไม่มีถ้ามีก็คือจิตไม่สงบแต่ถ้าจิตสงบแล้วจิตจะสงบจากสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้แหละคืออารมณ์ของกามเราสงบสงบจากสิ่งเหล่านี้แล้วนั่นนะคือจิตของเราออกจากกามถ้าจิตยังไม่ออกจากกามเราไปพิจารณาคุณธรรมขนาดไหนก็ตามมันไม่เป็นไปมันไม่เป็ี่ยนไปเหมือนกับเราเอาไม้สดถึงแม้ว่า ไม้สดชุบใด้ยอย่างถึงจะไม่แช่อยู่ในน้ําเอาไปเสียเกิดไฟมันก็ยังเกิดยากอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสที่จะมาบําเพ็ญเพื่อทําจิตของเราให้เหงื่แห้งจากกามทําความสงบอยู่เรื่อยๆอยู่เนืองๆสลับด้วยการพิจารณาให้เกิดปัญญาเมือ่อกระไม้ของเราเริ่มแห้งแห้งแหงแห้งสนิทเต็มที่เราเอามาเสียเกิดไฟมีโอกาสที่จะเป็นไฟขึ้นมาได้แต่ถึงกระนั้นก็ตามถ้าทําผิดวิถีมันก็เกิดเป็นไฟขึ้นมาไม่ได้ หรือทำถูกวิธีก็ตามแต่ทำหยุดทำหยุดทำหยุดไฟก็ติดไม่ได้เพราะการเกิดไฟจากการเสียดสีไม้นั่นน่ะมันต้องทำอย่างต่อเนื่องถ้าทาทาทาไปแล้วก็หยุดความร้อนที่เคยสังสมมาก็จะแห้งไปก็จะหายไปเพราะฉะนั้นท่านจึงทำอย่างต่อเนื่องทาอย่างต่อเนื่องทำอย่างหนักหน้าไปเรื่อยจนมีคุณสมบัติความเป็นเป็นไฟปรากฏขึ้นเป็นควันกด ปรากฏขึ้นเป็นฐานดำๆปรากฏเป็นฐานแดงๆปรากฏขยับไม่หยุดเป็นควันแล้วเป็นฐานแล้วดำๆแล้วส้องมาเราหยุดความร้อนหมดอยู่สักหน่อยมันึ่งเย็นไปแล้วต้องมาทําใหม่เรามาถึงตรงนี้เราจะได้ประสบการณ์เพราะฉะนั้นพอมาถึงตรงนี้เรากลัวหลุดไม้หลุดมือเราพยายามดิ้นเพื่อที่จะมาได้เพื่อที่จะได้ไฟใช้ แนวปจุบันของเราก็เช่นเดียวกันพอเรามาถึงตรงนี้นักหน้าครูบาอาจารย์ท่านคิดว่าเดนตายเดินตายเดนตายก็คือมาถึงตรงนี้เลยเดนตายก็คือตรงนี้สละเป็นสละตายเข้าไปถ้าไม่ได้คอยตายตายดีกว่าถ้าไม่ได้คอยได้ถ้าไม่ได้ตายไม่ตายได้ครูบาอาจารย์ทุกองค์ท่านถือว่าเดนตายทั้งนั้นเลยกว่าจะเข้าไปถึงคุณสมบัติของสิ่งเหล่านี้อันนี้เป็นข้ออุปมาเป็นข้อเปรียบเทียบทาให้เราทราบเลยว่าเราเป็น บุคคลที่หนึง่งหรือที่สองหรือที่3หรือที่4แต่บุคคลที่สนี่จะรู้ตัวด้วยตัวของตัวเองบุคคลประเภทที่สองก็คือทำอประเภทที่3มก็คือทำด้วยหย่อนยานทำหยุดทำหยุดทำหยุดประเภทที่สก็คือก่ายออกจากกามอยู่แต่จิตยังไม่ออกจากกามภายในจิตเต็มแพร่ไปด้วยกามคำว่ากามหมายว่ากามคุนรวมทั้งถึงกามมาระคะด้วยเพราะมันเกี่ยวเนื่องกันมันเกี่ยวข้อง ก, กัน แล้วก็ยิ่งบุคคลประเภทที่หนึ่งด้วยแล้วเหมือนไม้สดชุบด้วยยางแช่ชุบในวยยางด้วยและยังแช่อยู่ในน้าอีกหมายความว่าเราบริโภคกามเพิ่มอยู่เรื่อยเพิ่มอยู่เรื่อยผลบวกของมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดนี่คือการตั้งอกตั้งใจเราสามารถเอาใจของเราออกจากกามเมื่อออกจากกามได้แล้วโอกาสาทาี่เราจะมาเจริญสมถะเจริญวิปัสสนามันเป็นไปได้ง่ายเจริญตามหลักนี้ตามวิถีนี้เราก็จะประสบความสุขความเจริญได้ดได้ทําในหัวใจของเรา วันนี้พวกเราได้ตั้ง อ, อกตั้งใจฟังเพราะบรรยากาศสงบเงียบดีมากในที่ถ้าตั้งใจภาวนาด้วยฟังด้วยโดยไม่สง่งกิจออกนอกมาถึงระยะนี้เวลานี้ได้แนวปฏิบัติได้ข้อปฏิบัติได้ความสงบได้ความอดได้ความทนจากการเจ็บการปวดสิ่งเหล่านี้มีผลมีอ น, นิสงสนั้นคือมีคุณสมบัติเกิดขึ้นในหัวใจของเราเพราะฉะนั้น การเจริญบุญกุศลในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการถวายทานการฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนตรการฟังธรรมะเพื่อเอาสติเอาปัญญาเข้าสู่หัวใจของเราถือว่าเป็นผลเป็นอานิสงค์ขอให้พวกเราอุทิศผลนอานิสงส์เหล่านี้ถวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเร็จพระเจ้าอยู่หัวของเราแด่สมเร็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถของเรา เป็นการนึกระลึกบูชาคุณของพระองค์และเป็นการนึกระลึกบูชาบุญคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธไสยาสน์ตรงนี้จะตั้งอยู่อย่างนี้พวกเราจะต้องไปก่อนจะมีอายุเป็นร้อยปีเป็นพันปีเพราะเป็นหินทั้งก้อนผู้ที่ตั้งอกตั้งใจดำริคิดคน้นรม จนสำเร็จลุล่วงมากลายเป็นบุญยะสถานกลายเป็นบุญนิธิเป็นขุมทรัพย์คือบุญใครมากราบใครมาไหว้ใครมาบูชากระเทือนถึงเราเราตั้งใจระลึกนึกน้อมถึงอยู่ทุกระยะทุกเวลาถึงคุณงามความดีเหล่านี้จะทําให้เราเพิ่มบุญเพิ่มกุศลเข้าสูงใจของเราทุกระยะทุกเวลาตั้งความปรารถนาเพื่อความพ้นทุกในวัฏสงสารสิ่งทั้งนี้มีผลมีอานิสงส ขอผลอา น, นิสงส์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้โดนบันดาลย้อนมาอำนวยให้ท่านทั้งหลายประสบแต่วความสุขความเจริญอีวังอ่ <c oughs> <c oughs> ทำไงทินี้ให้พรเนาะทรายพรก่อนอาอุทิศจนบุญไปยะทาวาริวะาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวัโตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิ ตังปฏิตังตุมหังขิปะเมวะสมิชะตะุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะราโอยะทามนิโชติระโสยะถ า, าสัพีติโยวิวชัชชนตุสภโรโควินัสตุกมาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีคายุโกภวะภิววะธนสีลิสนิจัง วุฒาปัญญโยจตารโหธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังภาวะตุกสัพพมังขลังรักขันตุสัพเทวะตาสัพพุทธานภาเวนะชะตาโสถีพวันตุเตภวะทุกสัพพมังขลังรักขันตุสัพเทวะตาสัพธรรมานพาเวนะชะตาโสถีพ awan ตุเตภวะทุกสัพพมังขลังรักขันตุสัพเทวตาสัพสังขานพาเวนะ สทาโสถีพระวันตุเตโอ้เจ็ด oh, วันนะยังเหลืออีกหลายวันนะ <laughs> ยังเหลืออีกหลายวันอ่ะโมษนาโฆสณาทุกวัน <laughs> อ, อ่ตอนนี้ล ะ, ะ, จะเจริญพรลากลับแหละตอนนี้